ก็สำหรับบางคนขณะฟังก็สามารถสร้างจังหวะไปก็ฟังรู้เรื่องแต่สำหรับบางคนบอกว่าสร้างจังหวะไปฟังแล้วไม่รู้เรื่องจะเอาไงดีอันนี้ขึ้นอยู่ความสามารถบางคนมีความรู้สึกที่ไวสร้างจังหวะก็ชัดเจนดี งก็รรู้เื่อดีแต่บางคนความรู้สึกช้าและสร้างจังหวะชัดฟังไม่รู้เรื่องฟังรู้เรื่องสรางจังหวะก็ไม่ไม่ถูกอันนี้ก็ความรู้สึกแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนสมองไวประสาทไวบางคนสมองชา้าประสาทชา้าต่างกันในแง่ของอินซีนะอันนี้เราก็ดูประมาณของตัวเองก็แล้วกัน เพราะว่าถ้าเราฝืนหรือเราไม่เข้าใจหลักการอันนี้เราก็จะเอ๊ะงเลยสับสนจะไม่รู้จะาังไงดีจะสร้างจังหวะหรือจะฟังดีให้ดูให้ดูทั้งสองส่วนใส่กันว่า <c oughs> มันรู้เรื่องทั้งสองอย่างไหมถ้ารู้เรื่องสองอย่างก็ทำไปด้วยฟังไปด้วยถ้าไม่รู้เรื่องทั้งสองอย่างก็หยุดเสยอย่าง เป็นโดนคือวิธีจัดการนี่วันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของความเข้าใจในรูปนามให้เป็นรูปธรรมถ้าเรามีความเข้าใจตามที่ชี้แจงไปก็จะเข้าใจความจริงได้ง่ายมีสัมผัสสภาวะได้ง่ายเพราะว่าใ น, นช่วงหลังนี้ฟ้าพยายาม กันกองให้เข้าสู่เป้าหมายให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วพยายามตอกย้าเป้าหมายนั้นให้ชัดเพราะว่าทุกวันเนี่การสื่อความหมายเนี่ยมันเยอะการฟังก็เยอะที่นี่บางคนฟังจนเสือแล้วก็ไม่รู้จะ อ, อะไรดีอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีก็เลยไปตีกันในใจเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็ แยกไม่ออกอะไรอันไหนดีกว่าอันไหนอันไหนชัดกว่าอันไหนเพราะว่ามันข้อมูลมันเยอะฉนั้นมาถึงจุดเนี้ยมาก็พยายามศึกษาสังเกตจากผู้ปฏิบัติส่วนหนึ่งแล้วจากการวิเคราะห์วิจัยในประสบการณ์ของตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็ประมวลมาวิเคราะห์เจาะประเด็นให้ตรง ให้ตรงเป้าที่เราจะไม่เสียเวลาฉะนั้นคนไหนตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติที่มานำเสนอเนี่ยตามพิสูจน์มาตามวิธีการนี้เนี่ยได้ผลแทบทุกทุกสนามแต่นั่นหมายความว่าหวันเจดวันขึ้นไปสามวันก็ถ้ามีความตั้งใจจริงๆก็มีเหมือนกันที่ได้หมายความว่าสามารถแก้ไขนิวรณ์ได้ตลอด สามวันเนี่ยเนี่ยเพราะว่าหลักสูตรสามวันก็จะเป็นหลักสูตรเข้มกว่าเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันนี้บางทีเราเก็บสติหลวมๆมิใชะสี่วันเก็บสติเข้มแค่สามวันหรือบางทีเก็บถ้าหากว่าคนที่ใหม่มากๆ ก, ก็เก็บสติหลวมๆมวมช่ ห, ว, หวันเก็บสติเข้มแค่สองวันหรือคนเก่าเป็นส่วนใหญ่ที่ก็ เก็บสติสักสาวันเก็บอารมณ์เข้มสักสีวันอันนี้แล้วแต่ว่าในงานนั้นมีคนใหม่คนเก่ามากกว่ากันถ้าคนใหม่มากกว่าเขาเก็บสติเข้มน้อยหน่อยถ้าคนเก่ามากกว่าเขาเก็บสติเข้มมากกว่านะอันนี้ก็คือวิธีการาจัดวิธีการจัดการให้เหมาะสมกับอินทรีย์ของ ของผู้ฟังของผู้ปฏิบัติแต่ก็ในเมื่อผู้ปฏิบัติเป็นคนใหม่ครึ่งหนึ่งคนเก่าครึ่งหนึ่งก็จะใช้วิธีอัตราส่วนเ้าเท่ากันนะแล้วในการเจาะเนื้อหาสาระ นั้นก็จ ะ, ะไม่เล่งเร่าและไม่ลงลึกเกินไปจนผู้ปฏิบัติตามไม่ทันแต่จะคอยตรวจสอบว่าเนี่ยพูดไปถึงจุดเนี้ยเข้าใจไห่ทาได้ไหมสัมผัสได้ไหมถ้าเข้าใจไม่ได้สัมผัสยังไม่ได้ก็ถอยมาก่อนมาตั้งต้นที่เข้าใจได้สัมผัสได้ มาว่าตามที่มาทําตามนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีครูอาจารย์ไหนเขาทากันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็คนที่รู้จริงเขาก็พยายามที่จะให้โยมได้มีโอกาสสร้างบา ร, รมีไปก่อนก็ยังไม่บอกความจริงคนที่รู้ไม่จริงเขาก็เอาเรื่องอื่นมาว่าไปเรื่อยๆอย่างลงประเด็นไม่ถูก นะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดไหนที่ตัวเองได้แล้วเวลาจะให้ผู้ปฏิบัติก็ไม่รู้จะเอาจุดไหนเหมือนกันให้ได้ชัดๆก็ว่ากันรวมๆไปอันนี้ก็บางทีเราก็เสียเวลานะแต่เรามาแล้วเราเสียเวลามาแล้วเราก็อยากจะรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรอย่างน้อยที่สุดเมื่อเราเสร็จงานนั้นๆไปเนี่ยเราเอาไปทําเองได้ แต่สำหรัจธรรมาเองนี้ได้คํานึงถึงความสับสนความเสียเวลาของตัวเองมานานเนี่ยก็มานึกถึงคนรุ่นหลังถ้าคนรุ่นหลังนี่ความอดทนไม่เท่าเราศรัทธาที่มีดอกกุบาอาจารย์ไม่แข็งแรงเท่าเราเพราะฉะนั้นจะให้เขามาอดทนทดสอบอยู่เป็นเวลาหลายเดือนหลายปีนั้นเป็นไปได้ยากท่านั้นวิธีใดที่จะให้เขาเข้าใจให้เร็วที่สุดก็จะพยายามทํา ส่วนจะทำได้ไม่ได้จะเป็นเรื่องของความเข้มแข็งหรือว่าสนาบา ร, รมีของแต่ละคนแต่เราถือว่าได้ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วคือได้ชี้แจงข้อมูลและได้ทำความเข้าใจชัดเจนที่สุดแล้วก็ถือว่าไม่เป็นวิบากได้ทำหน้าที่ดีที่สุด ดังนั้นเองผู้ฟังก็เหมือนกันถ้าหากว่าผู้พูดตั้งใจพูดถ้าผู้ฟังไม่ตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจที่จะนําไปพิสูจน์หรือทำตามอย่างจริงอกจริงใจก็จะเป็นวิบากเหมือนกันหมายความมาเนื่อช้าออกไปเรื่อยๆนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่จะ <c oughs> มาจิตจ่อต่อเนื่องเจาะเน้นอย่างที่มีถ้าว่าไปก็อย่างที่จะมาทา มันไม่มีหรือมีน้อยในเมื่อมาพบกันแล้วก็อยากจะให้ได้ประโยชน์ทำไมาก็ถือว่าไม่ต้องไปเสียเวลามากที่จะต้องมาพูดซ้ําซากแต่เรื่องเกา่าแล้วก็ต่อไปอนาคตก็จะไม่เหนื่อยมากเพราะมีคนช่วยเยอะเพราะคนที่เขาปฏิบัติไปแล้วเขาได้ผลเขาก็กลับมาช่วยในเรื่องที่คนจะช่วย ก็ถือว่าได้บุญแล้วกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นในตอนกลางวันเนี่ยเราพูดถึงว่าสิ่งที่คนเข้าใจผู้ใหม่จะเข้าใจในที่นี้มาเน้นผู้ใหม่เป็นหลักไว้ก่อนผู้ที่มาประสบการณ์เป็นคนเก่าแล้วนี่ก็ถูกบ้างผิดบ้างก็ก็ตั้งต้นใหม่ได้เสมอนะเพราะว่าในแง่ของนมามธรรมเนี่ยมันไม่มีการเก่าไม่มีการใหม่สมมติว่าเก่าว่าใหม่ มันมีว่าใกล้ว่าไกลเพราะว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเสมอแ่ละเพราะเป็นลักษณะของวงกลมที่เรียกว่าวัดตะกจะเริ่มต้นตรงไหนก็สิ้นสุดที่ตรงนั้นแต่เริ่มต้นเดี๋ยวนี้ก็สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ไม่มีอดีตอนาคตเหมือนเราเอามีดไปตัดวงกลมนะตัดตรงไหนตรงนั้นไปจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดเพราะมันก็กลับมาวงรอบมาที่เดิม วัตที่เราเรียกว่าจิตที่เราเรียกว่าเป็นดวงเป็นดวงเนี่ยใครจะบอกว่าจิตนี่มันกลมๆยาวๆเนี่ยไม่มีแต่บอกจิตนี่เป็นดวงเป็นดวงแบบแสงสว่างนั่นก็หมายความมันว่นานลักษณะเป็นวงกลมแบบลูกโลกหรือเป็นวงกลมแบบพระจันทร์อย่างนี้นีดังนั้นเมื่อ เข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วไม่ว่าผู้เก่าผู้ใหม่ก็ถือว่าเริ่มต้นใหม่เสมอนะเพราะว่านามธรรมมันเป็นลักษณะที่เกิดจากผัยสัต ก, กระทบตรงไหนก็รู้ขนาดนั้นแต่ยังไม่กระทบยังไม่สัมผัสก็ยังไม่รู้แล้วรู้แล้วก็จบขนาดนั้นเลยไม่เชื่อลองนี่ดูเอามือตบดูตบปั๊บก็รู้ตดยวครานี้ตบอะ จบตรงนั้นหนักเบาเจยบไม่เจยบก็จบตรงนั้นนี่ลักษณะของนามธรรมาเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงไม่มีเกา่าไม่มีใหม่แต่มีการเริ่มต้นและสิ้นสุดในตัวมีเก่าและใหม่จบลงในตัวในช่วงเย็นวันนี้ก็จะขยายความเรื่องรูปนามที่ยังไม่ชัด ว่าในารูปในนามนี้ตอนเช้าเราพูดในมิติที่เป็นลักษณะว่ า, ารูปเนี่ยมีลักษณะที่เป็นธาตุลักษณะไหนแข็งก็เรียกว่าธาตุ ด, ดินลักษณะไหนอ่อนก็เรียกว่าธาตุน้ำลักษณะไหนมันไหวมันเคลื่อนเป็นเป็นละตลม ลักษณะในที่มันร้อนมันอุ่นเป็นธาตุไฟ <c oughs> รวมทั้งสี่อย่างเข้าด้วยกันเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าอรูปนั้นอรูปอันนี้เมื่อมันรวมกันเข้าแล้วมันก็เกิดการผสมผสานเกิดการผสมผสาน ตามกฎของอนิจจังเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมามันคุเข้ากันไปคุเข้ากันมาก่อให้เกิดสิ่งธาตุใหม่อีกสองธาตุเรียกว่าอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุตัวอากาศธาตุวิญญาณธาตุนี่เองมันก่อให้เกิดตัวนามเฉพาะ้าตสีดินน้ำโลหไฟเนี่ยมันไม่มีนามแต่พอมันเกิดผสมผสานเกิดมิเกิด ปรุงแต่งกันขึ้นมันก็ให้เกิดวิญญาณขึ้นเรียกว่าวิญญาณธาตุเพราะฉะนั้นเมื่อผสมสารกันแล้วจากธาตุสี่มันกลายเป็นธาตุหกธาตุที่หที่เองเป็นตัวตั้งต้นของน้ำน้ําก็เป็นธาตุอันหนึ่ง น, นะเขาเรียกวิญญาณธาตุหรือธรรมธาตุเขาเรียกว่ารูป ก, กับน้าดังนั้น การลึกลงรายละเอียดเนี่ยสำหรับผู้ใหม่อาจจะสับสนหรือเห็นว่าไม่จําเป็นแตฟน่ฟังไว้ก่อนว่าฟังไว้ก่อนว่าเรื่องนี้เราไม่เคยได้ยินหรือได้ยินมาแล้วแต่ว่าไม่แจ่มแจ้งรูปในส่วนที่เป็นธาตุสีเนี่ยขเขาเรียกมหาปูตารูปแต่รูปในส่วนที่เป็น อากาศาธาตุและวิญญาณธาตุเนี่ยเขาเรียกอุปาทายรูปในตัวอุปาทายรูปสองธาตุเนี่ยไปแบ่งเป็นยี่สิบสี่ลักษณะซึ่งไม่ต้องแจงในรายละเอียดเป็นเรื่องของตำราเป็นเรื่องของคมภีนะแต่ว่ารูปที่เราสัมผัสได้ขณะนี้ก็คือเราสัมผัสได้ถึงลักษณะของอะไรลักษณะของรูปก็มี แข็งแดินนั่งได้นี่นลักษณะของธาตุดินแล้วเคลื่อนไหวไปมาได้โยกได้เคลื่อนได้หายใจเข้าออกได้เป็นลักษณะของธาตุลมแล้วก็มีเย็นมีร้อนมีอุ่นมีอ่อนมีแข็งในตัวนี้เป็นลักษณะของธาตุไฟเนี่ยเพราะนั้น เมื่อธาตุสี่ผสมผสานกันพอดีมันเกิดการรู้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงขึ้นมาตัวรู้นี้เองเป็นวิญญาณธาตุเรียกว่านามนี่พอเรามารู้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เชื่อตัวตนของเราที่เราคิดแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติที่ผสมผสานที่ได้มาแต่กรรมกรรมอะไร กรรมที่เป็นอดีตก็คือพ่อแม่เราสร้างมากรรมที่เป็นปัจจุบันคือเราจะต้องบริหารรักษามันกรรมที่เป็นอนาคตก็คือเราจะต้องเรามัดระวังอะไรที่จะเป็นให้เกิดดีเกิดสบายเราก็พยายามที่จะทําให้เป็นอย่างนั้นอะไรที่มันจะเกิดความวิบัติเสื่อมเสียเราก็ เราบระวังป้องกันนี่มันก็เก่อให้เกิดกรรมอดีตนอนาคตปัจจุบันขึ้นมาและปัจจุบันนี้ที่เราทำอยู่เข้ามาใกล้อีกนิดหนึงขณะที่ปัจจุบันนี้เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นกรรมอะไรเรียกเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมก็คือเราคิดเรารู้ว่าการทำอย่างนี้อย่างนี้ มันจะก่อให้เกิดตัวสติสมาธิปัญญาเราก็รู้ว่าตัวสติสมาธิปัญญาที่เป็นภาคปฏิบัติเราเรียกมันสั้นๆว่าความรู้สึกตัวและความรู้สึกตัวอันนี้มันจะทำให้เรารู้จักหลรายละเอียดต่างๆในกายในใจ และรายละเอียดอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นสภาวะต่างๆเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงไว้เจ็บปวดเมื่อเพื่อเบือ่อเซงง่วงเงาชอบไม่ชอบี่รายละเอียดเลนี้ทำให้เราเห็นมันชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อก่อนที่เราไม่มีความรู้สึกตัวที่ฝึกฝนมาแบบนี้เรารู้เราเห็นเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะผิวเผินเลือนลาง แต่เมื่อพระพุทธเจ้าท่านมาพบแล้วท่านก็สอนตอมาว่าต้องเอาใจใส่ต้องดูแลต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดๆนะว่าเราขณะปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์รู้สึกสบายหรือไม่สบายท่านให้กลับมาตรวจสอบทุกคนก็จะบอกในใจตัวเองได้ว่าขณะนี้เรารู้สึกอย่างไร ส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันไม่สบายมันอึดอัดมันปวดเมื่อยมันง่วงเหงามันไม่สนุกอ่าส่วนใหญ่ก็จะบอกงี้บางคนก็ง่วงต่อไปอ่บางคนก็ฟื้นตื่นขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้ดเนี่ยก็จะสัมผัสได้อาการอย่างนี้บางคนก็คิดถึงบ้านถึงช่องถึงลูกถึงเมียถึงการถึงงานบางคนก็เฉย ว่างๆสบายๆจะมีลักษณะแตกต่างกันนี่เรียกว่ากรรมต่างกันคนที่ตั้งใจเอาใจใส่ทําความเข้าใจสัมผัสความจริงกรรมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคนไหนที่เอาใจใส่บ้างไม่เอาใจใส่บ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็กรรมตัวนี้ก็จะมีผลน้อยลงไปอีกนะ บางคนก็ไม่ใจใสคิดปรุงแต่งปรุงสร้างเรื อ, อื่นง่วงเหงาเห้านอนเบื่อหน่ายเซิงอันนี้ก็จะมีผลน้อยลงไปอีกกรรมก็ยิ่งมีผลต่างกันดีแต่ดีไม่เท่ากันบางคนดีมากบางคนดีกว่านิดหน่อยบางคนไม่ดีเลยเนี่ยจะมีผลต่างกันอย่างนี้ขึ้นอยู่การกระทําของเราทั้งนั้นเลยนทีนี้ในตัวกรรมคือการกระทําเนี่ย เรามาสมมุติขึ้นว่าการที่เรามากามตามรู้การเคลื่อนการไหวของรูปของนามของกายของใจเนี่ยมันเป็นการมาศึกษาของจริงคือได้เห็นความรู้สึกจริงจริงความร้อนเป็นของจริงไหมจริงความอึดอัดขัดเคืองเป็นของจริงไหมจริงความสบายร่วงโปร่งเป็นของจริงไหมจริง ก็เป็นปรมตท์มันมีอยู่จริงแต่ปรมัท์อันนี้มันจะเป็นส่วนสมมุติหรือส่วนปรมตท์ตัวความจริงมันเป็นสัจจะนะสัจจะตัวนี้มันจะเป็นสมมุติหรือปรมตท์ถ้ามันเป็นสมมุติก็หมายความว่ามันมีอยู่แล้วมันก็หายไปมันไม่ได้ตั้งอยู่นานมันมีอยู่เนี่ยเขาเรียกความจริงชั่วคราวหรือความจริงที่ไม่จริงอ่าเรียกสมมุต สมมุติว่าอย่างนี้ถ้าหากว่ารู้สึกหนักอย่างนี้สมมุติว่ามันปวดอ่ะพอเราขยับความปวดก็หายไปอันนี้เขาเรียกว่าสมมุติว่าปวดเพราะมันเกิดแล้วมันก็หายแต่มีความจริงอีกประเภทหนึ่งที่มันเรียกว่าเป็นของจริงแท้ถึงไม่สมมุติมันก็มีอยู่เช่นความรู้สึกอ่ะความรู้สึกเฉยๆซื่อๆเนี่ย มันมีอยู่แต่พอไปกระทบตัวผั ส, สะประเภทไหนมันก็จะเปลี่ยนเป็นประเภทนั้นเช่นรู้สึกเย็นถ้ากระทบเย็นก็จะรู้สึกเย็นถ้ากระทบร้อนก็จะรู้สึกร้อนถ้ากระทบหนักก็รู้สึกปวดถ้ากระทบเบาก็รู้สึกสบายเนี่ยแล้วแต่จะดังนั้นความจริงแท้เนี่ยมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีหนักไม่มีเบา เหมือนน้ำใสๆน้าใสๆเนี่ยเป็นน้ำที่มาแต่ดั้งเดิมของมันมาจากไหนนู่นมาจากเม็ดฝนใสๆแต่พอเรานำมาใช้ในครัวตกมาถึงพื้นมันเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำต่างๆเป็นน้ำขุ่นน้ำเขียวน้ำปลาน้ำปูน้ำ ปาสาวะน้ําอุจจาระน้ําเลือดน้ำหนองน้าดีน้ําเศษก็ว่าไปเป็นน้ําต่างๆนี่เรีอกสมมุติเพราะมันถูกปนไปแล้วแต่เมื่อใดเราอยากจะได้น้ําแท้ๆกลับคืนแล้วก็มีขบวนการเช่นน้ําขุนเนี่ยเอามากรองมันก็ยังขุนอยู่เอามากั่นมันก็ต้องเอามากั่นใช้ความร้อนกั่นออกมาเป็นน้ําใสเหมือนเดิมกลับไปสู่ที่เดิมคือใช้กั่น ถ้ามันคุณไม่มากมากรองอาจจะใสใช้วิธีการกันและกรองกับน้ํากับข้อสีที่เดิมแต่ถ้ามันกันกรองโดยธรรมชาติก็อาจจะใช้เวลาหน่อยกว่ามันจะตกไปเป็นอยู่ในห้วยน้องคลองบึงเป็นน้ําสกปรกว่าแดดมันจะเผาแล้วเหยือเป็นน้ําบริสุทธิ์อีกครั้งเป็นไอ้น้ำตกมาเป็นฝนบริสุทธิ์อีกครั้งนี่คือธรรมชาติที่เป็นรูปประทานที่สัมผัสได้ในตัวเราก็เช่นเดียวกัน มันมีความรู้สึกซื่อๆใ ส, สๆที่เป็นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าประพัสระจิตหรือพุทธจิตท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าประพัสระมิทังจิตตังอาคันตุเกเสหิอุปกริถังความรู้สึกที่เรียกว่าจิตเดิมแท้เนี่ยมันประพัทสรมันผองใสมันสะอาดอาคันตุเกเสหิอุปกริถังเมื่อจิต หรือความรู้สึกที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ถูกกระทบด้วยสิ่งเศร้าหมองจรมาจากตาหูจมูกลิ้นกายความรู้สึกที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ก็แปดเปื้อนไปด้วยสิ่งที่สกกรปกเสมือนฝนที่ตกลงมาจากฟ้ามันสะอาดบริสุทธิ์แต่เมื่อมากระทบสิ่งสกกรปกอิฐหินดินปูนฝุ่นผงก็กลายเป็นน้ำขุ่นน้ำเขี้ยวไป ต่อเมื่อผู้คนต้องการน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์กับดังเดิมต้องใช้กระบวนการกลันและกรองตามลำดับฉันใดก็ดีจิตนี้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อกระทบกับภาสะที่สกปรกหรือภาสสะที่เป็นไม่บริสุทธิ์จิตนี้จึงเศร้าหมองไป ความรู้สึกนี้ถึงเศ้ามองไปเหมือนน้าที่ขุนเมื่อเราต้องการที่จะให้จิตที่มันขุนมัวเศร้าหมองด้วยกิเลสราคาโทสะโมหะให้กลับมาเป็นจิตเดิมอีกครั้งที่ไม่มีอะไรต้องอาศัยขบวนการอีกครั้งหนึ่งเรียกขบวนการกั่นกรองขบวนการกลั่นกรองนี้เรียกว่าสมถะและวิปัสสนาขบวนการกลันล่นการกองเรียกว่าสมถะขบวนการกลั่นเรียกว่าวิปัสสนา การกลั่นนี้ไม่ต้องใช้ความการกรองนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนเพียงแต่อายัยวัตถุที่สะอาดละเอียดหลายๆชั้นก็สามารถที่จะกรองได้แต่ว่าไม่บริสุทธิ์อาจจะยังมีสีมีกลิ่นมีรสบางๆปนอยู่ท่านเรียกว่าสมาถะคือกรองด้วยอำนาจของสมาธิระดับต่างๆปฐมฌาน ก็ยังมีฝุ่นมีผงอยู่ทุติยชาญฝุ่นผงขุนเคีเ่ยวอาจจะหายไปเหลือแต่กลิ่นแต่รสตะติยชาญฝุ่นฝุ่นผงรสและสีอาจจะหายไปจตุติชาญฝุ่นผงรสหายไปก็เ <c oughs> หลือแต่กลิ่น <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าสมถะ แต่พอมาวิปัสสนานั้นท่านเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเอาน้ําทั้งขุ่นทั้งเขี่ยวทั้งใสเนี่ยไปเข้าโรงกันใช้ความร้อนสูงแล้วกั่นออกมาเป็นน้ําบริสุทธิ์เรียกว่าน้ํากัน่นฉันได้ก็ดีจิตนี้ถ้ามันสกรปรกรกลุ่มลังไปด้วยสีกลิ่นรส ด, ด้วยกิเลสนานาประการเมื่อนํามาสู่วิปัสสนา ซึ่งต้องใช้ความร้อนสูงนั่นก็คือกา ร, รบําเพ็ญตะบะก็อย่างที่เรามาทํานี้เรียกว่าบำเพ็ญตะบะมากลั่นจิตของเราเวลามันคิดมาก็ทําความเพียนเพ่งเผาด้วยการนั่งทํานานๆเป็นเวลานา น, านๆสร้างจังหวะเดินจงกรมอดทนต่อหนาวต่อร้อนต่อหิวต่อปวดต่อเมื่อยได้เป็นระยะ เวลายาวๆเหมือนเรานํานําน้ําไปต้มต้องใช้เวลานานพอสมควรจนกว่าน้ํานี้จะเดือดและเลิกเหยออกมาเป็นไอแล้วตกลงมาเป็นน้ําใสฉันใดก็ดีเมื่อเราได้บําเพ็ญตะบะด้วยการยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสติเพ่งเผาด้วยอํานาจของความเพียรด้วยตะบะเพ่งเผาด้วยอํานาจของสติสมาธิปัญญาความรู้สึกตัวที่มันขุ่นเขี้ยว ที่มันปรุงแต่งด้วยอารมณ์ต่างๆมันก็เริ่มถูกสติสมาธิปัญญากลั่นออกมาเป็นความรู้สึกซื่อๆใสๆสะอาดเรียกว่าความรู้สึกซื่อๆคือสตนินี่คือวิธีการกลั่นแล้วออกมาเป็นความรู้สึกที่โปร่งเบาสบายไม่หนัก และความรู้สึกประเภทนี้เหมือนน้ำสาดบริสุทธิ์เข้าไปชำระจิตได้จิตของเราที่เคยขุนมวสนมองด้วยอารมณ์แปดเพื้อนต่างๆก็เริ่มสาดขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าสาจิตป ร, ริโยธาปนังการชำระจิตให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำคือดัวสติสมาธิปัญญานี้ที่กลั่นออกมานี่คือหลักที่เป็นรูปธรรม มันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรถ้าเรานึกถึงรู ป, ปรธรรมแต่ถ้าว่าเราไม่สามารถนึกถึงรู ป, ปรธรรมนี้ได้เรื่องนี้เป็นเต็มไปด้วทฤษฎีวิชาการที่ซับซ้อนเช่นอภิธรรมให้เราไปอ่านไม่รู้เรื่องแต่เมื่อเอาออกมาสู่ภาคปฏิบัติที่เป็นรู ป, ปรธรรมแล้วเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นดังนั้นหน้าที่ของเราในการที่จะทาเนี่ย เราก็ต้องมาดูว่าเราเหมาะสมที่จะกลั่นหรือจะกลองระหว่างน้ำกันน้ําลองเราชอบประเภทไหนแต่น้ำปัจจุบันเนี่ยวิธีกลั่นอาจจะไม่ใช้ความร้อนนะแต่ใช้สิ่งที่กลั่นเย็นด้วยการกลั่นหลายชั้นด้วยการใช้สารอะไรบางตัวเข้าไปช่วย ให้น้ำนี้เกิดแตกโมเลกุลให้ใหญ่ขึ้นที่เรียกว่า amazing water ในระดับเครื่องกันเครื่องกรองที่มีคุณภาพสูงฉันเดียวกันในแง่ของวิปัสสนาอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องบำเพ็ญเผาตะบะอย่างแรงหรือใช้เวลายาวนานเหมือนแต่อดีต <c oughs> อาจจะใช้เวลาไม่นาน <c oughs> แต่ใช้เทคนิควิธีที่ มีความละเอียดสูงเช่นการใช้การสังเกตการเฝ้าดูการตามรู้ตามเห็นไปทุกระยะของอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงตามดูตามรู้ตามเห็นได้ตลอดถ้าใครมีความศรัทธามีความสามารถในการเพี้ยนได้ถึงขนาดนั้นจิตก็จะบริสุทธิ์ได้เร็วแต่ถ้าหากใครมีศรัทธาและความเพียนอ่อนจิตก็ บริษัทบริสุทธิ์ดได้ช้าอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในเรื่องของการศึกษาลักษณะอย่างนี้จึงเหมาะสมแก่คนที่ใยรู้ใยเรียนใยศึกษาเพียงแต่ศรัทธาอย่างเดียวไม่พอเพียงแต่ศรัทธา่ังเดียวก็ได้มาเข้าวัดได้มาฟังธรรมได้มานั่งฟังง่วงบ้างหลับบ้างก็สําเร็จประโยชน์อย่างนี้ก็เรียกว่าสําเร็จประโยชน์ว่า ได้มาเขาวัดฝังธรรมท่านเองแต่ไม่สำเร็จประโยชน์ในแง่ให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะ ช, ชำระจิตใจของศักด์ของตในให้สะอาดได้นะดังนั้นเองเวลาคนไหนมาเข้าคอสในวิธีปฏิบัติของอาตมานก็จะพยายามกระตุ้นเตือนให้ตื่ น, ต, นตัวอยู่เสมอไม่อยากจะให้ใครมาเสียเวลาอาตมาอย่ามานั่งหลับนั่งพิงนั่งง่วงนั่งเห ง, งานั่งคุยกันนี่ไม่ได้ ามางทีก็ไร่กับบ้านไปเลยเพราะว่าเสียเวลาทั้งเขาทั้งเราดัง น, นั้นเรื่องนี้เราต้องจริงจังพอสมควรอย่าไปทําแบบที่แล้วแล้ ว, ลวมามันไม่ได้มันคนละยุค ก, กันยุค ก, ก่อนคนอยู่สบายกินสบายทรัพยากรในทรัพยใ์ยในดินสินในน้ํามากมายทําบ้างไม่ทําบ้างก็ได้กินเอาเวลาส่วนใหญ่ก็ไปสนุกสนานเพลิดเพลิ น, นไม่มีทุกข์อะไรมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทุกอย่างมันจํากัด เข้มงวดขึ้นรับในดินซีในน้าก็หมดไปคนเพิ่มขึ้นเวลาธรรมหากินไม่พ อ, อเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราจะต้องทุ่มเทเสียสละเวลากำลังซับกำลังกายกำลังสดีปัญญาจะต้องได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจสิ่งนั้นอย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรเป็นประโยชน์อย่างไรนะดังนั้นในจุดนี้ามาจึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลาย ได้ศึกษาอย่างมีเหตุมีผลเห็นที่ไปที่มาชัดเจนถ้าตรงไหนที่มันไม่ชัดเจนไม่เห็นแจ้งเอามาก็พร้อมที่จะให้มีการซักถามไต่ถามตรวจสอบได้เสมอแต่ในขณะเดียวกันการกระทําของเราจะต้อง ถูกต้องตามกระบวนการที่บอกไปว่าจากจุดนี้เป็นจุดนี้นะคุณทําได้หรือยังจากหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเนี่ยคุณบวกออกมาได้เท่าไหร่ถูกต้องไหมแต่ยังไม่ถูกต้องก็แสดงว่าพื้นฐานอันนี้ยังใช้ไม่ได้อ่าแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่พูดมานั้นไม่ใช่ไม่ไดเเ้เพราะเรายังทําในส่วนของเรายังไม่ถูกก็ต้องบวกให้มันได้ซสก่อนว่าสองบวกสองบอกให้เป็นสี่อย่างนี้เป็นตน้นนะดังนั้น ในเบื้องต้นเนี่ยจึงอยากจะให้เก็บรายละเอียดของรูปและนามนี่ให้มากพอมันเยอ ะ, อ ะ, อะการเคลื่อนไหวเตถถ่าหูจุดเท้าเนี่ยถ้าจะเก็บเป็นจริงจเนี่ยเก็บไม่หวนันไม่ไหวแถวเก็บตามสติปัญญาของเราเองบางอย่างก็เก็บได้บางอย่างก็เก็บไม่ได้ถ้าเก็บได้ทุกอาการไปนี่ก็หนักเหมือนกันเก็บได้ว่าหายใจนะ มากน้อยเท่าไหร่ลึกยาวเท่าไหร่พูดไปกี่คำหับตาอาปากกี่ครั้งเดี๋ยวซ้ายเลยขวาขี่หนเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงไว้ตรงไหนบ้าง เ, เก็บได้เยื่อลงไปบางคนอาจจะรับไม่ได้แต่ว่าควรจะสังเกตให้เห็นอาการทุกส่วนชัดๆเพราะการสังเกตนั้นจะง่ายกว่าการกำหนดเพราะการกำหนดนี้อาจจะไม่ทันเพราะความไวของกฎอนิจจัง แต่ถ้าสังเกตโดยรวมเนี่ยทันว่าขณะนี้โดยรวมอาการทั่วไปเป็นไงสบายหรือไม่สบายพอจะประเมินได้พอจะนับทันสังเกตด้วยวขณะนี้อาอยุาส่วนไหนหนักวัเออยเยะส่วนไหนเบาพอสังเกตทันสังเกต ว, ว่าขณะ น, นี้ความคิดในจิตในใจของเรามีมากมีน้อยหรือไม่มีพอสังเกตได้ถ้าหากหยาบแยบแบบนี้ ก็ฝึกสังเกตในส่วนหยาบๆนี้ไปก่อนแล้วค่อยลงลึกรายละเอียดไปเรื่อยๆนี้คือวิธีการที่เราเข้าสู่กระบวนการวิปัสนานะคือใช้การสังเกตจากหยาบไปหาละเอียดในหลักการของสติปัฏฐานสูตรท่านก็ทำอย่างนั้นเช่นกันเช่นสังเกตทางกายก่อนที่ะกา ย, ยานุปัสนาศติปัฏฐานให้สังเกตลมเข้าออก อ่ในลาตัวของเราเรื่องอาลมหายใจสังเกตเข้าเท่าไรออกเท่าไรลึกเท่าไรตื้นเท่าไรสังเกตไปเรื่อยๆทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เปไ็นไรแต่ขอให้สังเกตหลักอันที่สองท่านบอกเวทานานุ ป, ปสัสสนาให้สังเกตความเย็นร้อนออนแข็งเค็งตึงในร่างกายของเราเนี่ยมันหนักหน่วงท่วงทับมากน้อยแค่ไหนมันลึกมันตื้นแค่ไหน <c oughs> มันช้ามันเร็วแค่ไหน หลักสังเกตอันที่สองหลักสังเกตอันที่สามให้สังเกตว่าขณะนี้ใจของเรามีความคิดหรือไม่มีความคิดมีความคิดคิดเป็นเรื่องอะไรเป็นราคะหรือโทสะหรือโมหะหรือไม่ใช่ทั้งราคะโทสะและโมหะให้สังเกตหลักสังเกตประการที่สามหลักสังเกตประการที่สีให้ว่าธรรมานุปัสสนาสังเกตว่าสภาวะโดยรวมปัจจุบันขณะเ น, นี้อารมณ์ชั้นเป็นอย่างไรอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสีย อารมณ์สุขด้วยอารมณ์ทุกข์อารมณ์ขุนงวยเศร้าหมองหรืออารมรณม์อมอออมผ่องใสให้สังเกตอย่างน้อยท่านย่อเป็นหลักๆไว้สี่ประการแต่มีรายละเอียดสูงรายละเอียดสูงมากเช่นเรื่องของกายานุปัสนาเฉพาะสังเกตลมหายใจเฉยๆเนี่ยท่านแบ่งไว้ถึงสิบหกขณะเฉพาะเรื่องของอิเิบท ท่านแบ่งไว้เป็นสเฉพาะเรื่องของอีบดยท่านแบ่งไว้เป็นถึงเจ็ดเฉพาะเรื่องของอาการในร่างกายของเราแบ่งไว้ถึงสามสิบสองสามสอาการเฉพาะเรื่องท่าสี่เนี่ยไปท่ามิสีแล้วเรื่องของอาุภระอีกอเห็นไหมเฉพาะเรื่องกายก็รายละเอียดเข้าไปเยอะแล้วแต่ว่าบาง อย่างเราก็ไม่จำเป็นต้องเดินตามหลักนั้นทั้งหมดให้ใช้กำลังสติปัญญาของเราเป็นหลักแต่ที่ท่านวางเอาไว้อย่างสูงนั้นเผื่อว่าบางคนมีสติปัญญาสูงสามารถทำได้ตามนั้นแต่ท่านให้เน้นามกำลังสติปัญญาของเราถ้าเรามีสติปัญญาน้อยจะไปแบกมากก็ไม่ได้ไปไม่รอดสติปัญญาน้อยก็ว่ากันตามน้อยจึงจะน้อยได้น้อยหน่อยก็ช่างมาัน ดีกว่าไม่ได้สถิติปัญญาปานกลางก็เอาสังเกตปานกลางไปช้าหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ไม่ถึงนะให้ดูตามกำลังแต่ขอให้ตั้งใจศึกษาอย่างเต็มกำลังสถิตปัญญาใช้เวลาเลยสวดซาซ า, าโนโปฏิปติอิมัสเกวราสะกุขคันธัสก็ ท่านบอกว่าข้าพเจ้าจะศึกษานี้ตามสิตามสิยะทางพลายสติยะธพลังสติพลังยธาพลังตามกำลังสติปัญญานะ น, นั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายท้อถอยเพราะว่ามันทำในสิ่งที่เห็นอยู่และรู้ชัดๆว่าทำสิ่งนี้ได้แล้วเกิดประโยชน์มหาศาล ประโยชน์อย่างไรเหมือนในครัวของเราเนี่ย <c oughs> สิ่งที่จำเป็นที่สุดเราจะไปตั้งลกลากอยู่ที่ไหนก็ตามจะคำนึงถึงเรื่องอยู่สี่เรื่องใหญ่ๆ ห, หนึ่งมีที่ดินทำกินสองมีแหล่งน้ำสามมีอากาศดี สี <c oughs> มีฟืนไฟให้แสงสว่างหมุนต้มได้สะดวกทั้งสีเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นขั้นพื้นฐานในแง่ของลูกประธรรมอย่างไรก็ตามในส่วนของการดูกายดูใจก็สี่เรื่องเป็นเรื่องสำคัญพื้นฐานคือดูกาย ดูความรู้สึกที่เป็นเวทนาดูอาการของดูจิดูความคิดแล้วก็ดูอารมณ์เนี่ยดูไปดูมาสี่อย่างเนี่ยเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานถ้าดูสี่อย่างนี้เป็นก็หมายความว่าในดินน้ำลมไฟที่ว่าจำเป็นเมื่อกี้นั้นมันก็สามารถผลิตออกไปได้ทุกอย่างกอให้เกิดความเจริญก้า <c oughs> หน้าเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นประเทศขึ้นมาฮ่า ที่ตรงนั้นมีน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกจิตของเราเหมือนกันเมื่อรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เหมือนเรามีน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกความเจริญงอก ง, งามของคุณธรรมต่างๆก็เกิดขึ้นเหมือนกับประเทศชาติที่มันเจริญเติบโตหลักการเดียวกันดัง น, นั้นเราจึงไม่ขี้เกียจไม่เดือดร้อนในการที่จะทำะมุ่งมั่นในเมื่อมีการ า, ามิตรของเรามารับรอง อย่างหลวงพ่อเทียนว่าถ้าทำสิ่งนี้อย่างจริงจังตั้งใจแล้วเนี่ยที่ว่าทุก์ไม่หมดไม่มีทุกต้องหมดไปทุกต้องสิ้นไปชีวิตก็จะมีแต่ความสงบมีความสบายทุกน้อยลงน้อยหลงเรื่อยๆจนสัมผัสไม่ได้แต่ว่าถ้าเรา ข, ขวนายหาทรัพย์สินสมบัติภายนอกเนี่ย คอขวายไปตลอดชีวิตตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกอ ก, ก็ยังต่อให้เกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาจากักรพรรดิทุกก็ยังไม่หมด่ะว่าแต่ทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเมื่อใดเรามาศึกษาเรื่องนี้จนกระทั่งเกิดเป็นอริยทรัพย์ขึ้นมาและอริยทรัพย์ชนิดนี้ได้มาก ก็ดีได้น้อยก็ดีทุกทำลายทุกหมดไปหมดไปเรื่อยๆเราจึงทุ่มเทชีวิตและเวลาเพื่อขนไขยเรื่องนี้ไม่ว่าจะคนชนชั้นใดก็ตามไม้จะฟ้ามหากษัตริย์ที่ว่าร่ำรวยยอดคนแล้วในที่สุดก็ต้องหันมาศึกษาปฏิบัติทางนี้ด้วยเช่นกันอย่าว่าแต่เราคนธรรมดาันั้นเองเราจําเป็นอย่างยิ่งในการที่ต้อง หันมาศึกษาเรื่องนี้แล้วมนุษย์ทุกคนควรจะรีบเร่งศึกษาเรื่องนี้เพราะว่ามันจะทําให้เราใช้ชีวิตที่ได้คุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุดแต่ใครก็ตามที่ไม่รู้จักตนเองไม่รู้จักวิปัสนาก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นเจ้าของเพชรเมตโตแต่ไม่เคยใช้มันเลยอ่าแต่ยากจนตลอดชีวิตเราเป็นเจ้าของชีวิตที่มี เพชรถึงสเม็ดที่เรียกพุทธรัตนธรรม ร, รัตนสังขรัตนอยู่ในกายในใจของเราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราไม่เคยนํามาเจริญใเราก็ยากจนเป็นทุกข์อยู่อย่างเงี้ยตลอดเวียนว่ายตาเกิดอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นนั้นในวันนี้เหมือนเราเรามาเริ่มต้นในการที่จะเจริญใเพชรเมร็ดนี้พุทธรัตนะได้แก่ความรู้สึกตื่นรู้เบิกบานในพุทธรัตนะธรรมรัตนะก็ได้แก่ตัวความจริง ทั้งสมมติและประมาตัยในตัวเรามีอยู่สังครัตนะก็ได้แก่รูปกับนามที่เราได้มาดีแล้วไม่เปี้ยไม่ง้อยไม่บอดไม่นวกไม่พิกลพิการเป็นสังคารัตนะคือกายกับใจมันสังค้ากันได้สัดส่วนเดียพอดีเราได้แล้วร่างกายที่ดีเราก็ได้มาแล้วสติปัญญาเราก็ได้ดีมาแล้วแล้วก็ความรู้ ที่เราศึกษาขณะปัจจุบันเราก็กำลังศึกษาอยู่แล้วนี่เราเป็นเจ้าของเพชรทั้งสามเม็ดนี่แต่ทำไมเราจึงละเลยเพิกเฉยไม่ใส่ใจตรงนี้สำหรับคนทั่วไปก็จะไม่รู้คุณค่าเกิดมาแล้วก็ตายเปล่าๆแถมมาทำบาปทำกรรมเอานรกหมกไม่มมติดชีวิตไปด้วยามาไม่มาเปล่าๆ ถ้ามาเท่าทุนลึดดีกว่าเดิมก็ยังดีอันนี้มาแล้วขาดทุนบางคนเกิดมาลักขโมยชี้พ้นฆ่าคนช่อโกงคอร์รัปชันทําให้ติดลบ ก, กลับไปตายไปแล้วก็ไปเกิดเสวยวิบากกรรมไม่รู้กี่พวกกี่ชาติกี่กับอีกกันก็จะได้กลับมาอีกเนี่ยตายเกิดมาแบบขาดทุนแต่บางคนเกิดมาแล้วเท่าทุนหมายก็เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทํา บุญทุนกุศลในฐานะที่เกิดมนุษย์ต่อไปได้แต่ไม่มากกว่านั้นแต่บางคนได้กําไรขึ้นมาไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมบางคนได้กําไรมากที่สุดจะเกิดเป็นพระอดียเจ้าได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมในโอกาสได้เจริญภาวนาวิปัสสนาตั้งแต่โสดาสินาคาหันไดน้บางคนขาดทุนตายไปเป็นเปรต เ, เป็นอสุรกายสัตว์นรกเดกรัจฉานขาดทุนติดลบนี้อยู่ทั่วไป ถ้าหากจะว่าตายแล้วไปเกิดตายแล้วไปได้เนี่ยก็ยังไกลตัวเราไปในแง่ของพุทธธรรมแล้วตายเกิดต้องเดี๋ยวนี้ความคิดเก่าตายไปความคิดใหม่เกิดขึ้นความคิดเก่าที่ไม่ดีตายไปความคิดใหม่ที่ดีเกิดขึ้นหรือความคิดเก่าที่ดีตายไปความคิดใหม่ที่ไม่ดีเกิดขึ้นตรงนี้ที่เป็นการเวียนว่ายแต่เกิดของจิตนรกก็เกิดในปัจจุบันสวรรค์ก็ปรากฏในปัจจุบัน เราก็ต้องควเห็นนรกสวรรค์ขณะนี้ได้เดี๋ยวนี้ซะก่อนแล้วถึงจะไปสัมผัส น, นรกสวรรค์ของแท้ต้องเห็นนรกสวรรค์ของจริงนี้ซะก่อนนะนั้นเองจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันกระตุ้นดุลดันคนที่เป็นวงศาคณะญาติญาติพี่น้องอเป็นที่รักของเราเนี่ได้มาศึกษาเรื่องนี้ด้วยกันทุกคน เพราะเขาก็มีทุกข์แต่เขาไม่มีทางออกแต่เรามีทุกข์เราเริ่มหาทางออกเป็นแต่มาแล้วก็ยังหาทางออกไม่เป็นอีกก็ชื่อว่าขัดทุนหนเหมือนกันแม้จะมีเวลาสั้นสันวันหวันเจ็ดวันมีโอกาสทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราจะมีความจริงใจในการเสางหามากน้อยแค่ไหนตรงนี้สำคัญดังนั้นในการมาฝึกฝนและปฏิบัติเรื่องนี้ถ้าจะว่ า, ากันตามหลักเกณฑ์ เป็นวิชาการแล้วดูมันจะยากสำหรับเราเพราะอะไรเพราะมันต้องผ่านามระบบคุณต้องไปภสาษสาศิลปไปภาษาศิลปะศิลปแต้องไปศึกษาพระไตรปิฎกต้องไปประกอบบุญบารมีเรื่องโน้น เ, เรื่องนี้มากมายซึ่งเราไม่มีโอกาสเลยแต่เมื่อมาสมัยปัจจุบันมีท่านผู้รู้ที่มีปัญญาสามารถชี้ช่องบอกทางรัดให้กับเรา เออว่าคุณไม่ต้องผ่านตรงนั้นก็ได้ไปตรงนี้เลยก็ไปได้เหมือนกันแต่ทางรัดทางหลงมันใกล้ๆกันทางรัดไม่ตรงก็หลงไปไกลเพราะฉะนั้นทางรัดก็จะต้องรัดแบบระมัดระวังเหมือนกันนั้นก็หมายความมีผู้ชีน้นามีผู้นําทางเราก็ต้องตามให้มันถูกบางทีมีนําแล้วก็ตามไม่ถูกนะเมื่อเดินที่แล้วเดือนธันวาจะมาพาพาไปทุดง ที่ไทยสารเริ่มเราแต่สุรินทร์สีสเกตบุรีดำอุบลเราไปกันประมาณสี่สิบรูปทีนี้บางคนกำลังมากก็เดินไวคนกำลังน้อยก็เดินปานกลางคนกำลังอ่อนก็เดินหลังเพื่อนไอ้คนเดินหลังเพื่อนบางทีหลงทางไปทั่วเลยต้องได้ตามหากันทั่วป่าหนาทำหมุดทำหมายไว้แล้วก็ตามไมถูกนะ นี่กําลังไม่เท่ากันแต่ไปเรื่องกันกำลังไม่เท่ากั น, ไ ป, ก น, ก ไ, กนไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีกําเป็นธรรมดาผู้ที่มีกําลังมากกว่าที่เดินไวก็ต้องชะลอคอยหรือทํามุดทำหมายให้ชัดเจนว่าเออฉันไปตรงนี้นะาใบไม้มากเส้นทางก็บางจุดบางแห่งที่เข้าป่ารัดลงตรงทุ่งเข้าป่าภูเขา ฉันได้ก็ดีการที่เรามาสแสวงหาทางด้านเนี้บางคนเข้มแข็งบางคนอ่อนแอก็ต้องช่วยกันไปนั่นนึงเราจะมีการปฏิบัติร่วมกันเพื่ออะไรเพื่อเป็นกําลังของกันและกันการเดินหลายคนจะมีกําลังดีกว่าเดินคนเดียวพอเดินหลายคนจะช่วยกันลุนกันลันกันดันกันเดินได้หนักคนก็ต่างไปเคลื่อนบาเคลื่อนไลไปแต่ว่าถ้าเดินคนเดียวแล้วอาจจะรู้สึกหวาดกลัว พอถอยไม่มีกําลังวิตกอาจจะไม่เดินการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีโอกาสมาปฏิบัติร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้มันก็ทําให้เราเร็วขึ้นมีกําลังศรัทธามีกําลังความตั้งใจเห็นเขาทําเห็นเราทําแล้วก็อดไม่ได้ต้องทําแต่ถ้าเราไปทําอยู่คนเดียวทําอยู่ที่บ้านมองสายมองความไม่มีใครสนใจไม่เห็นใครทำเพราเราก็ไม่มีกําลังไปไม่ได้เหมือนกัน นั่นเราเรียกว่าสังฆะสังฆะคือคนกลุ่มที่มาทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในหมู่ในกลุ่มในก้อนเดียวกันเรียกว่าสังฆะสังฆะไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์เท่านั้นแต่หมายถึงครหัข่าอุบาสกเบสิกาทั่วไปแต่ทํากิจกรรมอันสูงกินอย่างสูงกินอย่างตําอยู่อย่างจากินอย่างจามุ่งกระทาอย่างสูงเรียกว่าสังฆะเนี่ยฉันเองก็จึงอยากจะให้ พวกเราทั้งหลายเนี่ยเห็นคุณค่าของการกระทําอะไรก็ตามที่ชี้นำไปเนี่ยขอให้ไปพิจารณาในรายละเอียดและลงไปสู่การกระทาดูก็ททำได้ไหมนะและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามากดมาดันมาพัดมาผ่านเนี่ยจะผ่านมันได้ไหมผบง่วงเป็นยังไงศึกษานะ ใหญข้างหลังไกนุง่งง่วงไม่เบื่อนะบอกให้แกไปง่วงข้างนอกเลยหน้าหลังแล้วนะชี้ใหญ่เลยนะอ่าไปนั่งก็งไปนอนไนอะ้ใหญ่ง่วงอ่ะอนุญาตให้ไปนอนมันนั่งทรมานอยู่ทั้นั้นเองเราพยายามนะพยายามศึกษาเราศึกษาเขาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่เราจะ ไม่ว้าเหวไม่เงียบเหงาเมื่ออายุเรามากขึ้นมีเพื่อนมากมายไม่แม้ขามาไปแสวงหาเพื่อนภายนอกเพื่อนภายในเพื่อนมากมายคือเพื่อนคุณธรรมศีลแล้วก็มีเป็นเพื่อนสมาธิมาเป็นเพื่อนเราปัญญาก็มาเป็นเพื่อนเราเมตตาก็มาเป็นเพื่อนเราโมทิตามาเป็นเพื่อนเราเปรคาเป็นเพื่อนเราขันติ วิทยามาหมดเลยมีเพื่อนเยอะแยะเราจะทำอะไรก็สนุกสนานทำคนเดียวเพราะมีเพื่อนข้างในมีเพื่อนภายในเยอะแยะแต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนเรื่องนี้ให้ดีแล้วเนี่ยแก่มาแล้วเหมือนว้ามีเพื่อนล้อมหน้าล้อมหลังแต่เพื่อนภายนอกจะพึ่งอะไรจริงจังไม่ได้แต่ข้างในเต็มไปด้วยความว้าวเวยเงียบเงาไร้ที่พึ่งถึงแม้จะมีลูกมีหลานห้อมล้อมอยู่แต่ว่าก็รู้สึกว่า ไม่ปลอดภัยเพราะขาดกรเรียนมิตรภายในขาดกรเรียนกระทภายในเพราะนั้นเองเมื่อมาลงมือแล้วก็จึงอยากจะให้ลงมือกันจริงจังโดยเอาใจใส่ต่อการกระทำทุกขณะอย่างชัดเจนว่าเรากำลังทำอะไรแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเอาใจใส่จริงจังโดยขาดสติปัญญา เอาใจใส่จริงจงด้วยสติด้วยปัญญาถ้าขาดสติปัญญาแล้วมันจะมุ่งจะเอาแต่ไม่รู้ว่าเอาอะไรอ่าเหมือนจะวิ่งเอาเดือนเอาดาวมันไม่ได้ท่านบอกว่าในสมัยโบราณคนเดินเรือเนี่ยต้องอาศัยดาวอาศัยดาวว่าดาว อันไหนอยู่ทางไหนก็เดินไปทางนั้นแต่ไม่ได้ไหมาความว่าจะพาเรือนั้นไปถึงดวงดาวแต่อายไดาวเป็นเข็มทิศชั้นใดก็ดีเรามุ่งตัวมรรคผลนิพพานเป็นเข็มทิศมรรคผลนิพพานเป็นเข็มทิศแต่การไปถึงมรรคผลนิพพานไม่ใช่ไปถึง เป็นที่เป็นทางเป็นแห่งเป็นแหล่งเป็นที่แต่ไปถึงด้วยจิต ด, ด้วยใจดูเหมือนว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเป็นเพียงเป็นเข็มทิศว่าไปทางนี้เป็นมรรคผลนิพพานไปทางทานทางศีลทางภางวนาล้วก็ไปทางนี้มันจะไปถึงนิพพานแล้วก็ทำไปแต่ในส่วนที่ไปถึงมรรคผลนิพพานจริงๆนั้นก็ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการแต่มไม่ได้หมายถึงว่าไปถึงมรรคผลนิพพานที่ พุทธเจ้าท่านถึงแต่มันไปถึงของเราที่เราจะถึง น, นั้นเองขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจของเราว่าเราเข้าใจได้ระดับไหนแล้วมีความมั่นใจในชีวิตที่เราเป็นอยู่ไม่ทุกข์ไม่เดือดไม่ร้อนไม่วิตกกังวลกับใครละไปถึงจุดนั้นมีแต่ความสงบราบรื่นของชีวิตจะทาอะไรจะไปที่ไหนก็เต็มไปได้วยความมั่นอบมั่นใจ เต็มไปได้วยความอิ่มออิ่มใจแค่นี้ที่เราเข้าใจได้แล้วชีวิตนี้ก็มีได้จริงด้วยแต่ว่าเราจะต้องทำเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้ได้ให้ได้เช่นว่าจะต้องมีสติในทุกอยาก่างเก่ามีความรู้สึกตัวในทุกขณ ะ, ะแล้วพยายามที่จะ ส อ, อดส่องเลือกเฟ้นสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นความคิดอันไหนเป็นความรู้สึกไห น, นเป็นเวทนาอันไหนเป็นสติสอดส่องให้เห็นว่าอันไหนเป็นความทุกข์อันไหนเป็นความไม่ทุกข์แยกกันให้ออก เพราะทุกกับไม่ทุกเมื่ออยู่ด้วยกันเหมือนกับลูกกาวน้ำมันก็อยู่ด้วยกันแต่เห็นให้ลักษณะมันให้ชัดว่าเออลักษณะนี้เขาเรียกมันทุกลักษณะนี้มันไม่ไม่ทุกเห็นจ็ชัดสอดส่องแยกแยะเฝ้าดูสังเกตอยู่เสมอเสมอให้มันเห็นแจ้งแก่ใจให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งในใจเอาไว้จนกระทั่งมันลอยเด่นในความในจิตสํานึกของเรา ว่าความไม่ทุกข์เป็นอย่างนี้ความทุกข์มันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะได้วางใจได้ถูกเพราะเรารู้อันนี้ทุกข์อันนี้ไม่ทุกข์แล้วเราจะวางใจไว้ในทางที่มันไม่ทุกข์ใจเราจะไม่เป็นทุกข์ต่อไปแต่เราแยกแยะไม่ชัดเราจะวางใจไม่ถูกเราคิดว่าวางใจที่ไม่ทุกข์มันกลับเป็นทุกข์ก็มีเพราะเราเห็นไม่ชัดเราจะวางใจในสติกลับไปวางใจในเวทนาก็มีเราจะวางใจใน ความรู้สึกสบายแต่เราไปวางในความรู้สึกอย่างอันนี้เป็นต้นมันก็จะพลาดมัวหลงทางได้นะนั่นเองในวันนี้เราได้ศึกษากันเป็นวันแรกสำหรับผู้ใหม่แต่สำหรับผู้เก่าเราถือว่ามาทบทวนหรือเก่าแต่ชื่อเก่าแต่เวลาแต่ว่าความเข้าใจ ยังไม่มีอะไรดีกว่าเดิมอย่างนี้ก็เหมือนก้นคนใหม่นะก็ต้องมาทบทวนตรวจสอบกันเราอยู่สถานที่สาธารณะอย่างวัดเราก็จะต้องมีความเข้าใจดีขึ้นกว่าคนนอกวัดสามารถบอกได้ใช้เป็นเห็นชัดนะ เพราะว่าเมื่อคนข้างนอกเข้ามามีความผู้มีปัญหามาถามคนในวัดคนในวัดก็จะต้องสามารถชี้แจงได้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าใช้อยู่วัดไปวันๆจะต้องมีความเข้มแข็งขึ้นความแจ่มแจ้งขึ้นในเรื่องของการกนไกของทางการปฏิบัติอยู่วัดไปเรื่องนานทำเนื้อไม่ได้ทำใจไม่ถูกนี่ก็ไม่ได้นะเสียเวลาจะต้องพยายามศึกษาเรื่องนี้ แล้วเราทุกคนที่มาจากบ้านนี่มีโอกาสอนุญาตครอบครัวครอบครัวอนุญาตให้มาเนี่ยเราก็จะต้องอพยายามศึกษาอย่างจริงจังจะได้ไปถึงไหนอะไรนะั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าได้พยายามเต็มความสามารถแล้วในความตั้งใจใการเก็บตัวเองเก็บความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้ทุกคนก็สามารถที่จะ สัมผัสความจริงได้เพราะมันมีอยู่แล้วในตัวเราเพราะสิ่งที่นํามากล่าวทั้งหมดนั้นเป็นความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าไม่ใช่เป็นการเสกสรรปั้นแต่งในเรื่องที่ไม่มีแต่เป็นความจริงเฉพาะหน้าพูดถึงเรื่องทุกข์เรื่องไม่ทุกข์เรื่องรู้สึกเรื่องไม่รู้สึกเรื่องคิดเรื่องไม่คิด ม, มีอยู่ประจําอยู่แล้วแต่จะมองเห็นและไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วพยายามสอดสอ่องเฝ้าดูอยู่เสมอจนเห็นสภาวะเหล่านี้ชัดเจน นั่นแหละเรียกว่าการเห็นแจ้งเห็นจริงในธรรมแล้วขอให้เกิดความไม่รังเลไม่สงสัยไม่สับสนไม่วุ่นวายอขอให้เกิดความสงบเยอกเย็นความราบลึกแหลมคมไปเรื่อยๆนะฉะนั้ น, นช่วงเย็นวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเหมาะแก่เวลาที่เราจะได้พักผ่อนหับนอนตื่นเช้ามาเราก็จะได้กาสตื่นแต่เช้าไม่งัวงเงีย คนที่ง่วงหนักวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ต้องหายง่วงได้แล้วลพรุ่งนี้อีกง่วงอย่างอีวันก็ต้องให้กลับบ้านะให้ถือว่าเสียเวลาล้วต้องง่วงให้เต็มที่แค่คืนนี้พรุ่งนี้จะได้ไม่ง่วงนขอนมุธนาสาธุในความตั้งใจที่เราจะได้ไปศึกษาไปปฏิบัติตั้งแต่นี้ไปจนถึงเวลาเข้านอนแม้แต่นอนเราก็ต้องศึกษา เขศึกษาว่ามันจะนอนอย่างไรให้มันสบายนอนอย่างไรให้มันสงบนอนอย่างไรให้มารู้ตัวขณะหลับและตื่นต้องให้ตั้งใจให้เข้าใจในสภาวะธรรมต่างๆ ท, ท, ท, ที่อยู่เฉพาะหน้าชัดเจนด้วยการทุกคนทุกท่านถือ